พระบัญญัติ 1,163 ก็ภิกษุณีใดบวชให้สิกขามานาที่มันดาบิดาหรือสามียังไม่อนุญาตต้องอบัตป่าจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบ